หลังอาหารเช้าพระมคุเทศนำคณะผู้สแสวงบุญไปนมัสการพระเจดีและต้นพระศรีมหาโพลอันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามปีมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพุทธศักราชสี่สิบห้าปีเมื่อบวกกับสองพันห้ารอยยสิบแปดจึงเท่ากับ 2,573 แม้เวลาจะล่วงเลยมานานเกือบ 3,000 ปีแต่พระศาสนาของพระองค์ก็ยังส่องแสงสว่างสวยให้กับชาวโลกผู้มีปัญญาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 2,400 กว่าปีจึงจะหมดยุคศาสนาของพระสมณะโคดมจากนั้นโลกก็จะว่างจากศาสนาไปอีกนาน จนกว่าพระเมเตยยะพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่รู้จักในนามพระสีอาริจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าแห่งพัทระกับพระเมเตยยะหรือพระศีอาริจะมาอุบัติเมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุ8 0ดหมื่นปีณเมืองเกมตมตีปัจจุบันคือเมืองพารานสี และเมื่อพระองค์บรินิพานแล้วศาสนาของพระองค์จะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก1 8 0 0 0 0ปมืนปีซึ่งเมื่อนับจำนวนปีจะมากกว่าอายุศาสนาของพระสมณะโคดมถึง1 7 5 0 0พันปีแต่เมื่อนับอายุของศาสนาคิดตามอายุเฉลี่ยของมนุษย์ศาสนาของพระสมณะโคดมจะมีอายุถึง ห้าสิบชั่วคนขณะที่ศาสนาของพระเมตเตยะมีอายุเพียงสองสองห้าชั่วคนเท่านั้นคือไม่ถึงสามชั่วคนในจักรวัตติสูตรทีคันิกายปาติกวกวั์พระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ห้าแห่งพัทระกับไว้ว่า พระองค์จะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์และครองคารวาสอยู่แปดพันปีมีปราสาทสี่ห้องภริยาชื่อจันทมุขีบุตรชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรหมมามารดาชื่อพรหมวตีเห็นนิมิตสี่ประการขณะเดินทางประชมสวนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัย จึงออกบวชและตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้นจะประกาศพระาศาสนาที่เมืองนาควันพระเจ้าสังขะซึ่งเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแห่งเมืองเกตมตีจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์พระอโศกกะและพระพรหมเทวะจะเป็นพระอัครสาวก พระปทุมมาและพระสุมนาจะเป็นอัครสาวิกาพุทธอุปถากมีชื่อว่าสีหะเมื่อมนุษย์มีอายุยืนแปดหมื่นปีนั้นหญิงสาวอายุห้าพันปีจึงมีสามีได้มนุษย์ยุคพระสีอาริจะมีโรคเพียงสามอย่างคือความปรารถนาอยากกินอาหาร ความไม่อยากกินอาหารอยากแต่จะนอนและความแก่ชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคมนิคมราชธานีแบบไก่บินถึงเขตมติจะเป็นราชธานีอันมั่งคัง่งมีคนมากอาหารหาง่ายพระเจ้าจากกักรพรรดิพระนามว่าสังขะเป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรม มีชัยชนะจบสี่ทิศปกครองชนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็มีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วส่วนเรื่องราวของพระสมณโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สีแห่งพัทรกับและเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน มีกล่าวไว้ในคำพีพุทธวงศ์แห่งขุททกนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่ส3สาว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงผู้ตรัสรู้เองโดยชอบพระนามว่าโคโดมอุบัตในสากยะสกุลแห่งนครกบิลพัทพระบิดาคือพระเจ้าสุดโททนะพระมารดาคือพระนางมายาเทวี ทรงครองคารวาสอยู่29ปีมีปราศาสตร์สามหลังมเหสีพระนามว่ายะโสธราโอรสพระนามว่าราหุลทอดพระเนตรเห็นนิมิตสประการและเสด็จออกพนวดด้วยม้าเป็นราชยานบำเพ็ญทุกกระกิริยาอยู่หปีประกาศพระธรรมจักที่ป่าอิสิปนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีพระอัครสาวกทั้งสองคือพระอุปติสสะหรือพระสารีบุตรและพระโกริตะหรือพระโมคคลานะพุทธโอปถากชื่อว่าพระอานนพระอัครสาวิกาทั้งสองคือพระเขมาและพระอุบลวนาทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณที่กวงไม้อัสศัตดิ์รึก มีสาวกสันนิบาตครั้งใหญ่ครั้งเดียวภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งองค์คำสั่งสอนของพระองค์ผู้เป็นสักขยะมุนีเจริญแพร่หลายกว้างขวางงอกงามเป็นอย่างดีบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นประโยชน์แก่มหาชนจำนวนมากชมพูทวีปได้ชื่อว่าแดนพุทธภูมิเพราะเป็นดินแดน ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมาอุบัติและตรัสรู้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนควรไปสแสวงบุญณะแดนพุทธภูมิอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนมัสการสังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดูจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาท จะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศ ล, ลกรรมสังเวชนียสถานมีสี่แห่งสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชมเพื่อเพิ่มพูนความเลื่อมใสกระทำสักการะบูชาอันจะนำให้เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์สังเวชนียสถานสี่แห่งมีกล่าวไว้ในมหาปรินิพานสูตรทีคณิกายมหาวัช พระไตรปิฎกเล่มที่สิบซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูติ์แล้วคืออุทยานลุมพินีวันสถานที่ที่เราตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันรูกความรู้อันประเสริฐ ทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือป่าอิสิ ป, ปตนะมรึกคทายวันแขวงเมืองพาราณสีและสถานที่ที่เราจะบรินิพานณนะบัดนี้คือสาละวะโนทยานเมืองกุสินารา ดูก่อนอานนสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานียสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยพระบาทแห่งเรารถบสัสนำคณะผู้สแสวงบุญ จากวัดไทยพุทธคยามายังลานจอดรถหน้าพระเจดีซึ่งเป็นลานกว้างมีสินค้าเมืองพาราตะวางขายอยู่ดารดาดส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกก่อนลงจากรถพระมัคุเทศย้ำเตือนว่าขอให้เดินกันเป็นกลุ่มแล้วก็อย่าให้เงินขอทานเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะจะถูกพวกเขาลุมล้อมจนหายใจไม่ออกเอาละ ลงจากรถได้ทันทีที่รถจอดบรรดาขอทานทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงก็วิ่งกรูกันมาที่รถส่งเสียงร้องขอเงินดังอึงคนหนึง่งบรรพชิตและคฤรหัดจำต้องทำใจแข็งด้วยเกรงจะต้องเดือดร้อนการเดินเข้าไปยังลานพระเจดีย์จึงมีอุปสรรคเพราะลูกหลานชูชก พากันเดินแสงหน้าแสงหลังทั้งที่ไม่มีผู้ใดให้พวกเขาส่งเสียงร้องขอพลางเดินตามพลางพวกที่ง่อยเปรียร้ยเสียขาเดินไม่ได้ก็ใช้วิธีเอาก้นถัดไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขาดรุ่งริ่งดูไม่น่าจะกันความหนาวเหน็บของอากาศแห่งเหมันตาระดูได้เลยแม้จะรู้สึกสมเพศเวทนาสักเพียงใดก็ไม่มีใคร ใจอ่อนยอมให้เงินแก่พวกเขาเพราะกลัวจะเดือดร้อนสตรีสาวชาวตะวันตกเดินมาคนเดียวเห็นขอทานมารุมล้อมจึงควักเงินให้เท่านั้นเองขอทานจำนวนนับร้อยไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนพากันล้อมวงยืแย่งเงินในมือหล่นตกใจจนถึงกับร้องไห้พวกเจ้าหน้าที่ห้าหกคน รีบวิ่งมาตะเพิดพวกขอทานออกไปหญิงสาวยืนตัวสันระลิกด้วยความตกใจเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะผู้สแสวงบุญจากประเทศไทยเห็นเช่นนั้นต่างก็เตือนตัวเองว่าจะไม่ทำเหมือนที่สาวชาวตะวันตกทำเป็นอันขาดเด็กชายอายุประมาณห้าขวบสูมกางเกงขาดกระรุ่งกระริ่งอุ้มน้องสาวอายุราวขวบเศษ เข้ามาสกิดท่านพระครูพร้อมกับพูดว่าพันเต๊แปซ่าทำมือหอ่หอๆไปเจอไว้ที่ปากเป็นในว่าขอเงินไปซื้อข้าวกินท่านมองดูสองพี่น้องด้วยความสงสารทั้งสองตัวดำเป็นเนียงผมเเพ้วกระเซิกระเซิงเหมือนไม่เคยได้รับการสะและหวีมาตั้งแต่เกิดน้องสาวพยายามจะลืมตาขึ้นดูท่าน หากก็ลืมไม่ขึ้นเพราะขี้ตาสีเหลืองแห้งเกระกรังปิดทับแหงขนตางอนยาวไว้แน่นจนทําให้ตาสองข้างลืมไม่ขึ้นแม่ของเด็กหญิงคงเที่ยวขอทานจนไม่มีเวลาล้างหน้าให้ลูกท่านพระครูคิดว่าจะให้เงินเด็กชายด้วยการใส่ลงไปในมือเขาอย่างเร็วๆแต่เห็นหนอก็ทักท้วงว่าอย่านะท่านขืนให้ เจ้าหมอนี่ก็จะไปบอกพวกพ้องแล้วท่านก็จะถูกขอทานนับร้อยมารุมล้อมจนหายใจหายคอไม่ออกเหมือนสาวผมทองคนนั้นเพราะเหตุนี้มือที่กำลังจะหยิบเงินจากย่ามก็เลยต้องชะงักท่านปลอบใจตนเองว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไอ้หนูเอ้ย หลวงตาอยากช่วยเองแต่เองจะทำให้หลวงตาเดือดร้อนจึงขอไม่ช่วยคงไม่ว่ากันนะกว่าพระเจริญจะนำคณะผู้สแสวงบุญเดินไปถึงประตูทางเข้าได้ก็ทุลักทุเลเต็มทีเพราะต้องฝากกองทัพขอทานนับร้อยต่อเมื่อเข้าประตูไปแล้วพวกเขาก็เลิกตามเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าไป จึงพากันเดินกลับไปตั้งป้อมรอตรงที่เดิมอีกทำอย่างนี้ทุกวี่วันจนกลายเป็นความเคยชินชีวิตของพวกเขาช่างว่างเปล่าและไร้ทั้งค่าและราคาอย่างที่ไม่น่าจะเป็นท่านพระครูรู้สึกสงสารหากก็ต้องใช้อุเบกขาพวกเขาทำกรรมกันมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลพวกเขา เคยเกิดเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยทำทานตรณีเหนียวแน่นและไม่เชื่อในคําทรงสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่ได้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์แต่ถึงจะไม่ทำทานหากพวกเขาก็มีศีลห้าจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกแม้จะเป็นมนุษย์ที่ยากจนข้นแค้นตามกรรมที่ทำมาก็ตาม คณะผู้แสวงบุญตามพระมคุเทศเข้าไปนมัสการหลวงพ่อเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีพระพักของพระองค์ฉายแววเมตตาสมพระนามกล่าวกันว่าใครมีทุกโศกโรคภัยอันใดเมื่อได้มานมัสการหลวงพ่อเมตตาแล้วก็จะหายจากทุกโศกโรคภัยในพริบตาอย่างน่าอัศจรรย์ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกที่แท่นบูชาเฉพาะพระพักจึงเต็มไปด้วยเครื่องบูชาสักการะต่างๆมีทั้งดอกไม้สดดอกไม้ประดิษฐ์และผลไม้นาน า, นาชนิดที่ผู้ศรัทธาเลื่อมใสนำมาถวายลามะและภิกษุณีที่เบตต่างนั่งสาธยายมันตระเสียงงึมงำด้านนอกพระเจดีคนที่เบตที่เป็นครือั หากันกราบพระเจดีย์ด้วยอัสดางคประดิษฐ์คือการกราบให้อวัยวะทั้งแปดอย่างได้แก่เข่าทั้งสองมือทั้งสองเท้าทั้งสองลำตัวและศีรษะจดลงกับพื้นวิธีกราบคือยืนตรงประนมมือไว้เหนือศีรษะแล้วก้มลงนั่งคุกเข่ามือเท้าที่พื้นแล้วไถไปข้างหน้าจนกลายเป็นนอนคว่า มือยื่นไปข้างหน้าในท่ากราบโดยวิธีนี้อวัยวะทั้ง8ดอย่างจึงจดลงกับพื้นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนทำแบบเดิมอีกพวกเขาจะตั้งสัจจะไว้ว่าวันหนึ่งจะกราบให้ได้กี่ครั้งสตรีจะกราบได้อย่างสูงวันละสองพันครั้งขณะที่บุรุษทาสถิติได้สูงถึง 5,000 ันครั้งต่อวัน คนที่เบธจึงมีร่างกายแข็งแรงทนต่อความหนาวเย็นของอากาศได้ด้วยการกราบแบบอัศดางคประดิษฐ์ซึ่งแปลว่าการกราบด้วยองค์แปดดังที่กล่าวมานี้ชาวที่เบตเคยมีประเทศเป็นของตนเองซึ่งอยู่ส่วนที่เรียกว่าหลังคาโลกในแผนที่โลกจะเขียนไว้ว่าที่เบตและมีคำว่า roof of the world เพราะเป็นพื้นที่ส่วนที่สูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกแต่ต่อมาถูกจีนยึดครองประเทศที่เบตจึงหายไปจากแผนที่โลกนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวที่เบตที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนได้พากันอพยพมาอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียบ้างก็อพยพไปอยู่ในประเทศตะวันตกแถวโยุโรปและอเมริกาโดยการแต่งงานกับคนชาตินั้น อย่างไรก็ตามพวกเขาพากันตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจีนจะยอมคืนประเทศให้กับพวกเขาวันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวทิเบตคือองค์ดาไลลามะผู้เป็นประมุขของประเทศทั้งฝ่ายราชอาณาจักรและศาสนาจักรไม่แต่ชาวทิเบตเท่านั้นที่เคารพเลื่อมใสในพระองค์ แม้ชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและชาวตะวันตกที่หลั่งไหลกันมาสแสวงบุญในแดนพุทธภูมิจำนวนหลายล้านคนในแต่ละปีต่างก็เคารพเลื่อมใสในองค์ดาลัยลามะและพากันเอาใจช่วยให้พระองค์ทรงนำพาประเทศให้พ้นจากการยึดครองของจีนโดยเร็วพลันนำมัส ก, การหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีย์แล้ว คณะผู้สแสวงบุญก็ตามพระเจริญออกมายังด้านหลังพระเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อนมรส ก, การต้นพระศรีมหาโพและพระแท่นวัชระอาตพระมคุเทศเริ่มการบรรยายพุทธประวัติตามที่ได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกและอัถกถาความว่าณบัดนี้เราก็ได้มาถึงสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นไม้ชื่ออัสศธาแต่ก่อนตรัสรู้เราเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้คล่องอยู่ในความรู้หมายความว่าไม่ทรงคล่องอยู่ในสิ่งอื่นคล่องอยู่แต่ในความรู้คําว่าสัตว์แปลว่าผู้คล่องจึงหมายถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่าย อยู่ในวัฏจักรชีวิตตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปจนถึงเทพทั้งหลายทุกชั้นฟ้าเพราะยังต้องเกิดอีกแม้พระอนาคามีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลระดับที่สามก็ยังต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นจึงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่รวมอยู่ในคำว่าสัตว์ทีนี้ถ้ามีคนมาด่าเราว่าสัตว์ก็ไม่ต้องไปโกรธเขา เพราะคนด่าเองก็เป็นสัตว์เช่นกันเว้นเสียแต่ว่าเขาเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์จริงก็จะไม่ด่าผู้อื่นเพราะพระอรหันต์จะไม่ทําความชั่วทั้งทางกายวาจาหรือใจส่วนคําว่าโพธิแปลว่าตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทรงสแสวงหาความรู้จนได้ตรัสรู้ ซึ่งเรียกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือตรัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ชื่ออัสธาต่อมาก็เรียกว่าต้นโพเพราะพระพุทธเจ้าไปประทับนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกต้นไม้ตรัสรู้หรือโพทิพุส ก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทรงแสวงหาครูบาอาจารย์ต่างๆเพื่อจะสอนวิชาพ้นทุกข์ก่อนหน้านี้ทรงศึกษาอยู่ในสำนักของอาลารดาบทกาลามาโคตจนสำเร็จอรูปฌานที่สชื่ออากินจัญญายตนะมีความรู้เทียบเท่าอาลารดาบทผู้เป็นอาจารย์ต่อมาได้ไปศึกษาในสำนักของอุทกดาบทรามบุตร สำเร็จอรูปฌานที่สชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะอันเป็นความรู้สูงสุดในสมัยนั้นอุทกะดาบทยกย่องพระองค์ไว้ในฐานะอาจารย์แต่พระองค์ทรงดำริว่าธรรมะนี้ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพาน เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นดังนี้พระองค์จึงลาท่านอุทกดาบทเพื่อแสวงหาทางตรัสรู้ต่อไปครั้งนั้นอุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระองค์ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ซึ่งมีกายไม่ได้หลีกออกจากกามและมีความยินดีพอใจในกามอย่างละให้สงบระ ง, งับไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าเผ็ดร้อนที่เกิดเพราะความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรจะตรัสรู้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางบุคคลแช่ไว้ในน้ำ บุรุษมีความต้องการด้วยไฟถือเอาไม้สดนั้นมาสีเข้าด้วยหวังจะให้เกิดไฟบุรุษนั้นก็ไม่อาจให้ไฟเกิดขึ้นได้นี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่งสมณะพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งแม้มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความยินดีพอใจในกามอย่างละให้สงบระ ง, งับมิได้ สมณะพราหม์เหล่านั้นแม้ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ดีไม่ควรตรัสรู้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแม้ห่างไกลจากน้ำบุคคลตั้งไว้บนบกบุรุษก็ไม่อาจสีให้เกิดไฟได้ถ้าสีเข้าต้องเหน็ดเหนื่อยลำบากเปล่า เพราะไม้นั้นแม้ตั้งอยู่บนบกแล้วแต่ยังเป็นของสดชุ่มด้วยยางไม่อาจให้เกิดไฟได้นี้เป็นอุปมาข้อที่สองสมณพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีกายหลีกออกจากกามแล้วและละความยินดีพอใจในกามให้สงบระ ง, งับดีแล้วสมณพราหม์เหล่านั้น ได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีแม้ไม่ได้เสวยเลยก็ดีก็ควรจะตรัสรู้ได้เหมือนไม้แห้งที่ไกลจากน้ำบุคคลวางไว้บนบกบูรดษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้เพราะเป็นของแห้งทั้งตั้งอยู่บนบกนี้เป็นอุปมาข้อที่สาม ภูพมาสามข้อนี้สรุปความได้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้ได้จะต้องหลีกออกจากกามอย่างเด็ดขาดทั้งกายและใจคือกายหลีกออกแล้วใจก็ต้องไม่ยินดีพอใจด้วยหากยังมีความยินดีพอใจแม้กายจะหลีกแล้วก็ไม่อาจตรัสรู้ได้กามจึงเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ของการบรรลุธรรม ผู้ฤาษีทีไพรที่บำเพ็ญตบะเมื่อจิตอยู่ในฌานกามก็สงบระ ง, งับไปได้แต่เมื่อออกจากฌานจิตก็ฟุ้งซ่านเกิดความยินดีพอใจในกามอีกจึงเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวและถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอนท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดนี้ว่าเป็นโลกียวิโมกคือความหลุดพ้น ขั้นโลกิยะเป็นกุปปะวิโมก ค, คือความหลุดพ้นที่กําเริบเพราะเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายสูญได้ดังพระพุทธวจนะว่ากุปปะวิโมกเป็นไนฌานสี่และอรูปฌานสี่นี้เป็นกุปปะวิโมกและเป็นวิกะคัมภณนะวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ ซึ่งกิเลสระ ง, งับดับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้าไว้ยกแผ่นหินออกเมื่อใดเมื่อนั้นหญ้าย่อม ง, งอกขึ้นใหม่ได้สรุปความตอนนี้ก็คือลำพังสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เข้าถึงความหลุดพ้นคือตรัสรู้ได้ต้องก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญาเพราะองค์ธรรมหรือตัวการสาคัญที่สุด ที่จะเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นปัญญาและปัญญาที่จะใช้ปฏิบัติการในขั้นนี้เรียกชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาดังนั้นการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้จึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสสนาใครอยากรู้เรื่องวิปัสสนาก็ให้เรียนถามพระครูเจริญทิตะธรมโมเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องวิปัสสนากรรมฐานส่วนพระเจริญทิตะธรรมโม เป็นพระมคุเทศเที่ยวชาญเฉพาะด้านปริยัติด้านปฏิบัติไม่ค่อยจะสันทัดสักเท่าไหร่ทำไมไม่โยนกลองกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะท่านสมภา์วัดป่ามะม่วงตัดเพาะไก่ไกยพระมคุเทศพูดแต่ผู้เดียวมานานท่านเพิ่งจะได้โอกาสพูดจึงไม่อยากละโอกาสนั้นผมไม่ได้โยนนะครับหลวงพ่อแต่ผมประเค้ให้ด้วยความเคารพ พระมคุเทศชัยโวหารแต่ผมรับคนเดียวไม่ไหวเรื่องอย่างนี้จะต้องช่วยกันผมว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกรูปนามที่จะต้องทำเพื่อพระศาสนาหน้าที่นั้นมีสี่ประการคือศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องคุ้มครองรักษาพระศาสนา จึงวัฒนาสถาพรเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกรูปทุกหนามลุงพ่อเห็นด้วยไหมครับท่านถามลุงพ่อวัดดอนเมืองเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็น์ลุงพ่อวัดดอนเมืองตอบเสียงหนักแน่นโยมก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโยมก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นค่ะ ญาติโยมพูดขึ้นพร้อมกันเพราะเพิ่งจะได้มีโอกาสพูด